สมาธิในการพัฒนาวิริยะตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเธอจําต้องฝึกให้จิตใจสงบนิ่งไม่หวันไหวด้วยสมถะสมาธิเพราะว่าผู้ที่ยังมีจิตใจหวันไหวไปตามอารมณ์ก็คือผู้ที่ยังอยู่ระหว่างเขี้ยวเล็บของกิเลสนั่นเองด้วยกายวิเวกและจิตวิเวกความสัตย์สายของจิต จะเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นในการสลัดทิ้งอารมณ์ทางโลกนี้ไปเธอควรต้องสลัดทิ้งความคิดปรุงแต่งทั้งหลายด้วยหากยังคงยึดติดหรือปรารถนาในลาบยศสรรเสริญอยู่นั่นมิได้ชื่อว่าเธอสลัดทิ้งอารมณ์ของโลกดังนั้นเพื่อการละทิ้งโลกเธอควรพิจารณาให้แจ้งชัด ในเรื่องเหล่านี้เมื่อรู้ชัดแจ้งว่าปัญญาที่มีความสงบไม่หวันไหวของจิตเป็นฐานรองรับจึงจะสามารถกำจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองได้เธอจึงควรทำใจให้สงบก่อนในเบื้องต้นเสมอความสงบของจิตใจนั้นเกิดจากการสลัดทิ้งอารมณ์ของโลกและเกิดจากความปิติสุข สำหรับชีวิตมนุษย์ที่ไม่มีความแน่นอนใดๆมันเป็นการสมควรแล้วหรือที่จะหลงยึดติดในตัวบุคคลซึ่งก็ไม่มีความแน่นอนเช่นกันเธออาจจะไม่ได้พบกับคนที่เธอรักอีกเลยนานนับพันชาติถ้าเธอยังหลงยึดติดหากไม่ได้พบกันอีกเธอก็คงไม่มีทางมีความสุขและก็ไม่สามารถจะสงบอยู่ได้ และถึงแม้ว่าจะได้พบกันอีกเธอก็ยังคงไม่พึงพอใจแต่กลับจะต้องทุกขทรมานเพราะความปรารถนาที่รุนแรงเหมือนเช่นเดิมเธอจะมิอาจรับรู้ตามเป็นจริงได้เธอจะสูญเสียความเข้าใจอันถูกต้องต่อสังสารวัตรเธอจะถูกครอบงำโดยความเศร้าโศกเสียใจ เพราะความปรารถนาที่จะได้อยู่ร่วมกันกับคนที่เธอรักเพราะว่ามัวแต่คิดถึงบุคคลผู้นั้นชีวิตย่อมผ่านไปโดยรวดเร็วและไร้าสาระเนื่องเพราะหลงอยู่กับเหตุการณ์เล็กๆชั่วขณะเธอกลับสูญเสียพระสัทธธรรมอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นนิรัน์ผู้ที่ทำตัวเช่นเดียวกับคนโง่เขาย่อมพาตนไปสู่นรก พวกเขาไม่ชอบคนที่แตกต่างจากเขาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในการคลุกคลีกับพานชนผู้โง่เขลาขณะหนึ่งเขาอาจเป็นมิตรอีกขณะหนึ่งเขาอาจเป็นศัตรูในโอกาสที่น่าจะยินดีเขากลับโกรธเคืองพานชนคนเขานั้นยากที่จะทำให้ถูกใจได้ เมื่อให้คำแนะนำดีๆเขากลับโมโหโทโสและเมินหน้าหนีแต่หากไม่มีใครฟังเขาเขากลับโกรธและยอมลงนรกพวกเขาจะอิดฉาผู้ที่ดีกว่าตนแข่งดีแข่งเด่นกับผู้ที่เสมอตนและดูถูกดูแคลนผู้ที่ด้อยกว่าตนหยิ่งทนงหลงตนอย่าเมื่อได้รับคำสรรเสริญ โมโหโกรธาอย่าเมื่อถูกตำหนิติเตียนแล้วมันจะหาส่วนดีได้ตรงไหนจากคนที่ทำตัวแบบเด็กๆ เ, เช่นนี้เมื่อบุคคลเช่นนี้มาคลุกคลีกันเรื่องอกุศลย่อมเกิดขึ้นโดยมิอาจยับยั้งได้เช่นการโอ้อวดแต่ความดีของตนเองการกล่าวร้ายผู้อื่นการปารลบแต่เรื่องโล ก, โลก และคาพูดที่แสดงแต่ความพึงพอใจในสังสารวัตดังนั้นในการคลุกคลีกับผู้อื่นมันย่อมมีโอกาสประสบกับเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ฉันจึงยินดีและมีความสุขที่จะอยู่วิเวกคนเดียวกับจิตที่ปราศจากสิ่งมัวหมองเหล่านี้มากกว่าเราควรอยู่ให้ห่างจากผู้ที่ทาตนแบบเด็กๆ เ, เช่นนี้ แต่เราก็ควรทำให้ผู้ที่เราพบปะทุกๆคนมีความสุขและพึงพอใจไม่ใช่เพราะต้องการความสนิทสนมแต่เพราะคุณงามความดีและความเป็นกันเองไม่แบ่งแยกจงเลือกเอาแต่เฉพาะประโยชน์ทางธรรมเท่านั้นเช่นเดียวกับผึ้งที่เลือกดูดน้ำหวานจากดอกไม้ฉันสามารถจะอยู่ได้ทุกที่โดยไม่มีใครรู้จัก ราวกับว่าฉันไม่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนบุคคลที่คิดว่าข้าพเจ้าร่ำรวยมีเกียรติและมีคนเคารพรักมากมายนั่นคือผู้ที่หวาดหวั่นต่อความตายที่กำลังจะมาถึงที่ใดก็ตามที่จิตลุ่มหลงพอใจกับสิ่งที่น่าเพลิดเพลินยินดีที่นั่นย่อมจะมีความทุกข์ นับพันเท่าเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นดังนั้นผู้ฉลาดย่อมไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นความกลัวย่อมเกิดจากตัณหาความอยากแต่มันก็ผ่านไปโดยตัวของมันเองจงอดทนและเฝ้าสังเกตมันด้วยจิตที่วางเฉยหลายๆคนกลายเป็นเศรษฐีและหลายๆคนกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียง แต่มีใครรู้บ้างว่าพวกเขาได้ไปที่ไหนมาถึงได้มีชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติเหล่านั้นหากยังมีคนเหยียดยามฉันทำไมฉันต้องยินดียามเมื่อได้รับการสรรเสริญและหากยังมีคนสรรเสริญฉันทำไมฉันต้องหดหูสิ้นหวังยามเมื่อถูกด่าว่า หากแม้พระชินสีเจ้าก็ยังมิอาจเป็นที่ถูกใจมนุษย์ซึ่งมีจิตใจแตกต่างกันมากมายได้ทุกคนแล้วพวกเขาจะพอใจในคนโง่เงาเช่นฉันได้อย่างไรดังนั้นจะสนใจกับโลกไปเพื่ออะไรกันพวกเขามักด่าว่าคนที่ไม่ทรมาหากินและค่อนขอดถากถางคนที่เอาแต่ทรมาหากิน แล้วผู้ที่มีความทุกข์อยู่แล้วโดยธรรมชาติเมื่อคบหาคนพวกนี้จะมีความสุขได้อย่างไรพระตถาคตได้ทรงตรัสไว้ว่าผ่านชนผู้โง่เขาย่อมไม่เป็นมิตรกับผู้ใดเพราะว่าความรักของพวกเขาไม่เคยเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความเห็นแก่ตัว ความรักที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวคือความรักที่มีเพื่อหาประโยชน์เข้าตนเท่านั้นเช่นเดียวกับความขัดเคืองใจยามเมื่อสูญเสียของของตนไปย่อมมีสาเหตุมาจากการสูญเสียความพึงพอใจในของนั้นต้นไม้ไม่เคยให้ร้ายใครและมันก็ไม่ได้พึงพอใจ กับการดิ้นรนพยายามของใครเมื่อใดหนอฉันจะสามารถอยู่ท่ามกลางผู้ที่คบหาแล้วทำให้สุขใจได้เช่นนี้เมื่อใดหนาที่ฉันจะได้เริ่มต้นอยู่ตามวัดร้างโคนไม้หรือตามถ้าโดยไม่ต้องห่วงใย ห, หรือเหลียวกลับมามองสิ่งใดอีกเมื่อใดหนา ที่ฉันจะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของท่องเที่ยวไปได้ตามปรารถนาโดยปราศจากผู้คนเมื่อใดหนาที่ฉันจะได้อยู่อย่างไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องปกป้องสิ่งใดๆมีเพียงบาทดินและจีวรที่ไม่มีค่าแม้กับโจรเป็นสมบัติเมื่อใดหนา ที่ฉันจะได้ไปตามป่าช้าพิจารณาเปรียบเทียบร่างกายของตนซึ่งมีธรรมชาติแห่งการเสื่อมสลายนี้กับศพอื่นๆแม้ร่างกายของฉันนี้ในที่สุดมันก็ต้องเน่าเปื่อยจนแม้กระทั่งหมาในก็ไม่อยากเข้าใกล้เพราะกลิ่นเหม็นของมันหากกระดูกของร่างนี้ ยังต้องหลุดออกเป็นชิ้นๆแล้วกระดูก ข, ของคนที่เรารักเล่าจะเป็นเช่นใดคนเรานั้นเกิดมาผู้เดียวและก็ตายลงผู้เดียวไม่มีใครที่จะมาร่วมแบ่งปันความทุกข์ยากนี้ให้กันได้แล้วคนที่เรารักจะมีประโยชน์อันใดนอกจากเป็นอุปสรรคและคอยสร้างปัญหาเช่นเดียวกับ ผู้เดินทางไกลจำต้องหาที่พักผู้ท่องเที่ยวในสังสารวัตรก็หาที่พักโดยการกลับมาเกิดใหม่จนกว่าเธอจะถูกสี่คนหามและได้รับการไว้ทุกข์ให้เธอจึงจะยอมถอนตัวเองไปอยู่ในป่าเช่นนั้นหรือด้วยความอิสระจากความผูกพันใกล้ชิดและอิสระจากความขัดแย้ง เขาอยู่วิเวกแต่เพียงผู้เดียวเขาได้ตายจากโลกนี้ไปเสียแล้วและจะไม่เศร้าโศกอีกยามเมื่อความตายจริงมาถึงไม่มีใครจะก่อทุกข์ให้แกเขาไม่มีใครมาใส่ใจหรือเศร้าโศกไม่มีใครมารบกวนเขาจากการภาวนาดังนั้น ฉันจึงควรอยู่วิเวกผู้เดียวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปิติยินดีปราศจากความยุ่งยากอันมีผลดีอย่างยิ่งและสามารถช่วยขจัดสิ่งยั่วยวุนทั้งหลายให้หมดไปเพื่อความอิสระจากเครื่องห่วงกังวลทั้งหลายและเพื่อจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งฉันควรนำรงตนให้อยู่ในสมาธิภาวนา แล้วฝึกฝนจิตใจตนอยู่ตลอดเวลาเพราะกามตัณหาจึงทำให้เกิดสิ่งเลวร้ายมากมายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทั้งการติดคุกการโบยตีการตัดแขนขาในโลกนี้และในนรกและในทํานองเดียวกันในโลกหน้า เธอเองก็มีสิ่งปฏิกูลมากมายจงพึงพอใจเพียงแค่นั้นเถิดผู้ม า, มากในปฏิกูลจงลืมถุงใส่ปฏิกูลอันอื่นเสียมันไม่น่าประหลาดใจเลยที่เธอมิได้มองร่างกายผู้อื่นว่าล้วนประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลแต่มันน่าแปลกใจมากที่เธอกลับมองไม่เห็นว่าร่างกายเธอเองนั้น ก็เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลดอกบัวผุดขึ้นจากโคลนตมมันนุ่มนวลบอบบางและเบ่งบานภายใต้แสงอาทิตย์ยามท้องฟ้าไร้เมฆบดบังแต่เจ้าจิตที่ชอบสิ่งปฏิกูลในกรงขังอันเป็นปฏิกูลนี้มันมีสิ่งที่น่ายินดีอะไรกันหากเธอไม่ชอบที่จะจับต้องดิน เพราะมันสกปรกและแปดเปื <mister ius> ้อนไปด้วยปฏิกูลแล้วเธอปรารถนาที่จะจับต้องร่างกายอันเป็นที่ขับถ่ายออกซึ่งสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นได้อย่างไรเธอไม่เพียงแต่ไม่เกลียดชังความสกปรกของเธอเองเธอผู้หิวกระหายในสิ่งปฏิกูลเธอยังปรารถนาภาชนะที่ใส่สิ่งปฏิกูลนั้นด้วย หากเธอไม่เชื่อว่ามันคือสิ่งสกรกแม้ว่ามันจะชัดเจนเช่นนี้ลองมองร่างกายผู้อื่นที่น่ารังเกียจและถูกทิ้งไว้ตามป่าช้าดูสิเมื่อเห็นศพเพียงไม่กี่ศพตามป่าช้าเธอยังรังเกียจแต่เธอกลับยินดีเมื่อเห็นศพเดินได้มากมายตามหมู่บ้าน แม้ว่าร่างกายนี้จะเต็มไปด้วยของโสกรกระกแต่เราก็ไม่ใช่ได้มันมาฟรีๆเพื่อมันแล้วเรายังต้องทำงานเหนื่อยยากมากมายเพื่อเลี้ยงดูและมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ยากราวกับนรกจงพิจารณาให้เห็นชัดว่าการมีทรัพย์สมบัตินั้นเป็นเรื่องโชคร้ายขนาดไหน เพราะมันสร้างความยุ่งยากตั้งแต่เริ่มจะหามาปกป้องรักษาและเสียมันไปผู้ที่มีความยึดติดในทรัพย์สมบัติย่อมมีใจที่กังวลวันไหวจึงไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในโลกได้ผู้บริโภคการมทั้งหลายนั้นมีความทุกข์ยากมากมายแต่มีความสุขเพียงเล็กน้อย เช่นเดียวกับวัวควายที่ได้ลิ้มรสหญ้าเพียงน้อยนิดแต่ก็ต้องลากเกวียนอันหนักอึ้งเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขอันเล็กน้อยซึ่งมันหาได้ง่ายดายแม้กระทั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้เคราะห์ร้ายได้ทำลายเวลาและความสามารถของตนซึ่งเป็นสิ่งที่หามาได้ยากการลงทุนลงแรงนี้ ก็ทำไปเพียงเพื่อประโยชน์ของร่างกายซึ่งมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวมิได้สลักสำคัญอันใดแต่ยังเป็นการนำไปสู่นรกและอื่นๆ อ, อีกในทำนองเดียวกันแม้เพียงหนึ่งในพันล้านส่วนของความขยันขันแข็งนี้มันก็สามารถทำให้บรรลุถึงพุทธภาวะได้ผู้บริโภคกามนั้น มีความทุกข์ยากแสนสาหัสมากกว่าผู้เดินในมักมากมายนักแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้เลยไม่ว่าอาวุธยาพิษไฟเหว ล, ลึกหรือศัตรูก็ไม่สามารถนำจิตใจให้ไปสู่นรกและความทุกข์ยากทั้งหลายในแบบเดียวกันได้เท่ากับกามตัณหา เมื่อบังเกิดความเกรงกลัวต่อการตันหาเช่นนี้เราควรจะยินดีในการอยู่วิเวกตามป่ารกร้างที่ปราศจากความวุ่นวายและสิ่งรบกวนผู้โชคดีจะได้สัมผัสกับความเงียบสงบและสายลมอันนุ่มนวลแผ่วเบาของป่าเขาความโล่งกว้างโอโทงดุจรราชวังก้าวย่างไปตามก้อนหินใหญ่ เย็นชื่นด้วยแสงจันทร์ที่อบอวนด้วยกลิ่นต้นจันทร์และหวนคิดคำหนึงถึงการช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ที่นี่หรือที่ไหนไหนได้ตามต้องการมิต้องคอยระวังรักษาสมบัติและมิต้องห่วงอะไรอีกเขาสามารถอาศัยอยู่ตามที่ที่ตนพึงพอใจตามที่โล่งว่าง ใต้ต้นไม้หรือตามถ้ำดำรงชีวิตอยู่ตามปรารถนาไร้บ้านไร้เรือนและมีได้ผูกมัดกับผู้ใดดื่มด่ำกับรสชาติแห่งความสุขในความสันโดษซึ่งแม้พระราชาก็ยังหาสิ่งเหล่านี้ได้ยากหลังจากที่ได้พิจารณาคุณประโยชน์ของการอยู่วิเวกด้วยวิธีที่กล่าวมานี้ หรือวิธีอื่นๆและเมื่อความคิดปรุงแต่งฝุ้งซ่านทั้งหลายสงบลงเธอควรเพราะบ่มโพธิจิตให้งอกงามยิ่งขึ้นเธอควรเริ่มต้นพิจารณาอย่างจริงจังให้เห็นชัดถึงความไม่แตกต่างกันระหว่างตัวเราเองกับผู้อื่นดังนี้สรรพสัพตว์ทั้งหลายล้วนต้องเผชิญกับความทุกข์และความสุข ซึ่งเราควรจะต้องปกป้องรักษาพวกเขาเหมือนกับที่เราทำให้ตัวเองเช่นเดียวกับกายอันประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆมากมายแต่ก็ได้รับการปกป้องรักษาทั้งหมดโลกนี้ซึ่งประกอบไปด้วยสรรพสัตว์มากมายและมีธรรมชาติแห่งทุกสุขเหมือนๆกัน ก็ควรได้รับการปกป้องรักษาทั้งหมดเช่นกันฉันควรช่วยขจัดความทุกข์ของผู้อื่นเพราะมันก็คือความทุกข์ที่เหมือนกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวฉันฉันควรจะช่วยดูแลผู้อื่นเพราะพวกเขาก็คือสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกันกับฉันซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตเช่นกันในเมื่อความสุข ล้วนเป็นที่โปรดปรานของทั้งฉันและผู้อื่นแล้วเช่นนั้นตัวฉันเองมันพิเศษอย่างไรฉันจึงได้ดิ้นรนหาความสุขมาให้เฉพาะตัวฉันผู้เดียวเมื่อความกลัวและความทุกข์ล้วนเป็นที่ไม่ปรารถนาทั้งกับฉันและผู้อื่นเหมือนกันแล้วเช่นนั้นตัวฉันเองพิเศษอย่างไร ฉันจึงได้ปกป้องแต่ตัวฉันเองไม่ปกป้องผู้อื่นหากฉันไม่ปกป้องพวกเขาเพราะฉันไม่ได้ทุกไปกับความทุกข์ของพวกเขาแล้วทำไมฉันต้องปกป้องร่างกายของฉันจากความทุกข์ในอนาคตของร่างกายทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ความเจ็บปวดของฉันในขณะนี้ด้วยเล่า การที่เราสรุปว่ามันเป็นฉันคนเดียวกันทั้งตอนนี้และในตอนนั้นนั่นเป็นความคิดที่ผิดเพราะฉันคนหนึ่งได้ตายไปและฉันคนใหม่ก็เกิดขึ้นในทุกขณะหากเธอคิดว่าความทุกข์ของใครคนนั้นก็ต้องจัดการเองแล้วทำไมมือมัน จึงปกป้องเท้าทั้งๆ ท, ที่ความเจ็บของเท้าไม่ใช่ของมือหากมีคนเถียงว่าแม้ว่ามันจะดูไม่เหมาะสมแต่มันก็เกิดขึ้นเพราะเรายังยึดมั่นในตนเองเราก็ควรตอบว่าด้วยความสามารถทั้งหมดที่เรามีเราควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เหมาะสมนั้น ไม่ว่ามันจะเป็นของเราหรือของผู้อื่นความสืบเนื่องของการรับรู้ที่ดูเหมือนเป็นสายเดียวกันและการรวมตัวขององค์ประกอบต่างๆมากมายเช่นเดียวกับกองทัพหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันมันไม่ใช่สิ่งจริงแท้ในเมื่อผู้ที่ประสบความทุกข์นั้นมีได้มีอยู่จริง แล้วความทุกนั้นเป็นของใครกันความทุกข์ทั้งหลายมิได้มีเจ้าของเพราะมันมิได้แตกต่างกันมันควรถูกขจัดไปเพียงเพราะว่ามันเป็นแค่ความทุกข์ทำไมจะต้องไปจำกัดว่ามันเป็นของใครด้วยเล่าทำไมความทุกข์จึงควรถูกป้องกัน เพราะทุกๆคนต่างเห็นด้วยแล้วหากมันสมควรจะถูกขจัดเช่นนั้นความทุกข์ทั้งหมดก็ควรถูกขจัดไปและหากมันไม่สมควรจะถูกขจัดเช่นนั้นมันก็ควรจะหมายถึงทั้งความทุกข์ของทุกๆคนและของเราด้วยหากความทุกข์ของสรรพสัตว์มากมายจะหายไปได้ เพราะความทุกข์ของคนผู้เดียวเช่นนั้นแล้วผู้ทรงมหากรุณาก็ควรจะยอมรับความทุกข์นั้นเสียเองเพื่อประโยชน์ของตัวเขาและของผู้อื่นดังนั้นผู้ที่จิตของท่านได้เพาะบ่มปัญญาไว้อย่างดีและยอมรับความทุกข์ยากของผู้อื่นได้เท่าความทุกข์ของตนย่อมเต็มใจที่จะลงนรกเอเวจี ราวกับหงส์ที่บินร่อนลงสู่สาบบัวยามเมื่อสัตว์โลกหลุดพ้นพวกเขาจะท่วมท้นด้วยปิติราวกับอยู่ในมหาสมุทรแห่งความสุขนั่นมันไม่เพียงพอหรอกหรือแล้วการหลุดพ้นเพียงผู้เดียวจะมีประโยชน์อันใดแม้ว่าจะทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเขาก็ไม่ได้มีความหลงทะนงตนหรือท้อแท้ และบนความปรารถนาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวคือการช่วยเหลือผู้อื่นเขาจึงมิได้มีความคาดหวังในผลที่จะได้จากความสุขงอมของกรรมดีที่ตนได้กระทามือและอวัยวะอื่นๆต่างก็ได้รับการทนุทนอมเพราะเป็นสมาชิกของร่างกายแล้วทำไมร่างของสัตว์โลก จึงมีควรได้รับการทนุถนอมแบบเดียวกันเพราะพวกเขาต่างก็เป็นสมาชิกของโลกการหลงคิดว่ากายนี้เป็นตัวตนของเรานั้นล้วนเกิดจากความเคยชินทั้งๆ ท, ที่มันมิได้มีคนสัตว์บุคคลที่แท้จริงแล้วความเป็นหนึ่งเดียวกันของตัวเรากับผู้อื่นจะไม่เกิดจากความเคยชินได้หรือ ผู้ที่ปรารถนาจะปกป้องรักษาตัวเองและผู้อื่นอย่างรวดเร็วเขาควรจะฝึกหัดที่จะแลกเปลี่ยนตัวตนของเขากับผู้อื่นซึ่งเป็นศิละปะที่ยิ่งใหญ่และมีผลมากด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อประโยชน์ตนเขาย่อมถูกแผดเผาในนรกแต่ด้วยการยอมเจ็บปวดเพื่อผู้อื่น เขาจะประสบความรุ่งเรืองในทุกๆทางความมักมากอยากใหญ่ย่อมนำไปสู่นรกสถานะที่ต้อยต่ำและความโง่เขลาเบาปัญญาแต่หากแปลเปลี่ยนความต้องการนั้นให้เป็นไปเพื่อผู้อื่นเขาย่อมเกิดในภพชาติที่เต็มไปด้วยความสุขเกียรติยศและมีปัญญา ด้วยการสั่งผู้อื่นให้ทำประโยชน์แก่เราเราจะกลายเป็นทาสแต่ด้วยการสั่งให้ตนเองทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเราจะกลายเป็นนายผู้ที่ไม่มีความสุขในโลกเป็นผลจากการที่พวกเขาต่างต้องการแต่จะสแสวงหาความสุขเข้าตนส่วนผู้ที่มีความสุขในโลกกลับเป็นผลมาจาก การที่พวกเขาต่างปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขจงสังเกตให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้โง่เขลาที่แสวงหาแต่ประโยชน์ใส่ตนกับปราชที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นผู้ที่ไม่ยอมแลกความสุขของตนเองกับความทุกข์ของผู้อื่นย่อมไม่มีทางบรรลุถึงพุทธภาวะอย่างแน่นอน แล้วเขาจะพบความสุขแม้แต่ในสังสารวัตได้อย่างไรหากว่าความกลัวและความทุกข์ยากทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเกิดจากการยึดมั่นในตัวตนแล้วความยึดมั่นเช่นนี้มันจะมีประโยชน์อันใดต่อฉันหากไม่ละทิ้งตัวตนเราก็จะไม่มีทางหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับ หากไม่หลีกห่างจากไฟก็ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการถูกเผาได้ดังนั้นเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ของฉันและบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นฉันจะอุทิศตัวของฉันเพื่อผู้อื่นและยอมรับผู้อื่นราวกับตัวฉันกลับแล้วกับเล่าผ่านไปในขณะที่เธอ ก็ยังคงสแสวงหาแต่ประโยชน์ตนด้วยงานหนักมากมายที่เธอทำเธอกลับได้รับเพียงความทุกข์เป็นผลตอบแทนตามที่ฉันขอร้องจงดำเนินตนในทางนี้โดยทันทีโดยปราศจากความลังเลไม่นานเธอจะได้เห็นประโยชน์ของมันเพราะคำพูดของพระพุทธองค์ย่อมเป็นความจริง หากเธอได้นำเนินในทางทางนี้มาตั้งแต่แรกสภาวะที่ขาดพร่องด้วยบารมีและความสุขแห่งพุทธภาวะเช่นที่เป็นอยู่นี้ย่อมไม่เกิดขึ้นความเป็นตัวของเธอก็เกิดจากหยดเลือดและอสุจิของผู้อื่นจงพิจารณาให้ดีเธอเองเป็นส่วนหนึ่งของผู้อื่นใช่หรือไม่จงดำเนินชีวิต เรากับเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้อื่นปลดทิ้งความยึดติดในกายนี้เสียและทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นจงกระตุ้นตัวตนของเธอให้มันได้อายว่าเราจะสุขสบายในขณะที่ผู้อื่นต้องทุกข์ยากเราสูงส่งในขณะที่ผู้อื่นต่ำต้อยเราจะอยู่เฉยในขณะที่ผู้อื่น ต้องทำงานหนักอย่างนั้นหรือจงถอดถอนตัวเธอออกจากความสุขและยอมรับเอาความทุกข์ของผู้อื่นตรวจสอบความผิดพลาดของตัวเธออยู่เสมอว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไว้บ้างในตอนไหนทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจงน้อมรับเอาข้อผิดพลาดของผู้อื่นไว้เหนือหัว และกล้าเปิดเผยความผิดพลาดของตนแม้เล็กน้อยแก่ผู้อื่นจงปิดบังชื่อเสียงและคุณความดีของตนด้วยการยกย่องความดีงามของผู้อื่นและผลักดันตัวเองราวกับธาตเพื่อทำงานให้สับปสัตวจิตเอ๋ยหากเจ้าไม่ยอมทำเช่นนี้ทั้งทั้งที่ได้บอกเจ้าแล้วเช่นนั้น ข้าจะต้องจัดการกับเจ้าเพราะความผิดพลาดทั้งหลายนั้นอยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะหนีไปทางไหนข้าจะเฝ้าดูเจ้าข้าจะกำจัดความเย่อหยิ่งยโสของเจ้าให้หมดไปแต่ก่อนข้าเดือดร้อนเพราะเจ้ามามากแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นคนละอย่างกันแล้วเจ้าจงเลิกหวังที่จะหาประโยชน์เข้าตนอีก ข้าไม่สนใจแล้วว่าเจ้าจะทุกยากแค่ไหนข้าได้ขายเจ้าให้กับคนอื่นไปแล้วหากข้าไม่ได้ยินดีมอบเจ้าให้แก่สัพพสัตแล้วเจ้าก็จะต้องส่งข้าลงนรกอีกเช่นเดิมโดยไม่ต้องสงสัยเจ้าทํากับข้าเช่นนี้มาหลายครั้งหลายหนเจ้าทรมานข้ามาเป็นเวลานาน ข้ายังจดจำมันได้ข้าจะต้องทําลายเจ้าข้าผู้เคยเป็นเหมือนทาสคอยรับใช้เจ้าหากข้าปรารถนาความสุขข้าจะไม่สแสวงหาเพื่อความพึงพอใจของตนเองอีกดังนั้นหากข้าปรารถนาที่จะปกป้องตัวเองข้าก็ต้องปกป้องผู้อื่นอยู่เสมอหากร่างกายนี้ ได้รับการปนเปล์มันก็จะอ่อนแอและบบาบางและเสื่อมได้ง่ายขึ้นเมื่อมันถูกทำให้เสื่อมด้วยวิธีการเช่นนี้แม้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังเติมไม่เต็มความต้องการของมันแล้วเมื่อนั้นจะมีใครอีกที่สามารถทำให้มันพอใจได้สำหรับผู้ที่ปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เขาย่อมเกิดความผิดหวังและความทุกข์ใจแต่สําหรับผู้ที่ปราศจากความปรารถนาใดๆเขาย่อมประสบแต่ความสุขความรุ่งเรืองดังนั้นเราจึงไม่ควรจะตามใจความต้องการของร่างกายมันจะมีผลดีมากกว่าเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการกายอันเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดนี้ ย่อมจบลงที่เท่าทานแน่นิ่งจะเคลื่อนที่ก็ต้องอาศัยผู้อื่นแล้วทำไมฉันถึงได้หลงยึดว่ามันเป็นของฉันได้สิ่งที่ประกอบกันขึ้นมานี้มันมีประโยชน์อันใดกับตัวฉันไม่ว่ามันจะตายหรือมีชีวิตมันมีความแตกต่างอะไรระหว่างสิ่งนี้กับก้อนดินโท่เอย เธอมีได้กำลังขจัดความยึดติดว่าเป็นฉันเลยหรือด้วยการสงเคราะห์กายนี้อย่างดีเรากลับสะสมความทุกข์โดยปร่าประโยชน์แล้วมันมีประโยชน์อันใดในการไปหลงรักหรือโกรธสิ่งที่เป็นด่งท่อนไม้เช่นนี้ไม่ว่ามันจะได้รับการบำรุงโดยฉันหรือกำลังถูกแรงกากิน มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกสุขทุกอันใดแล้วทำไมฉันจึงรักใคร่มันนักหากร่างกายที่ไม่ได้มีความขัดเคืองใดๆยามเมื่อถูกยามและไม่ได้มีความพอใจใดๆยาเมื่อได้รับคำชมมันไม่ได้มีความรู้สึกอันใดแล้วฉันจะเหนื่อยยากมากมายเพื่อใครกันคนที่ชอบร่างกายนี้ ก็เรียกว่าเป็นเพื่อนของฉันพวกเขาก็ต่างชอบร่างกายของพวกเขาเองด้วยแล้วทําไมฉันถึงไม่ได้ไปหลงชอบร่างกายของพวกเขาด้วยเล่าดังนั้นฉันจะไม่ยึดติดอะไรอีกแล้วฉันจะอุทิศร่างกายนี้เพื่อประโยชน์ของโลกแม้ว่ามันจะมีข้อเสียมากมายแต่ฉันก็จะใช้มันเป็นเครื่องมือ ในการทำงานนี้ให้สำเร็จพอกันทีสำหรับการงานทางโลกด้วยการระลึกถึงคําสอนเรื่องการเฝ้ารักษาจิตของตนขจัดความเงียบเหงาและเกียดคร้านออกไปฉันจะเดินตามทางของท่านผู้รู้ทั้งหลายดังนั้นฉันจะถอดถอนจิตออกจากทางแห่งความเสื่อมทั้งปวงจะภาคเพียรฝึกจิต ให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์แห่งการภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสอยู่เสมอ